ซินเดเรล่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายรวยคนหนึ่งที่ภรรยาป่วยและเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอใกล้จะสิ้นชีพเธอเลยเรียกลูกสาวคนเดียวของเธอซินเดเรล่ามาที่เตียงอ๋ลูกรักถ้าแม่ตายเป็นคนดีมีศีลธรรมนะและพระเจ้าจะดูแลเจ้าและแม่จะดูเจ้าจากสวรรค์และจะอยู่กับเจ้า ตลอดไปและเธอก็ตายตาหลับ <c influencer> ซินเดอเรล่าไปที่หลุมศพแม่แล้วร้องไห้ทุกวัน <c ười> พ่อของซินเดอเรล่าเคยเดินทางบ่อยเพราะงานของเขาเขาตัดสินใจแต่งงานใหม่เขาจะได้หาคนดูแลซินเดอเรล่าได้ เขาแต่งงานกับแม่ม่ายที่มีลูกสาวอายุน้อยสองคนซินเดอเรล่าอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและลูกพี่ลูกน้องนิสัยเสียพวกเธอทำกับซินเดอเรล่ายังเลวรา้ายเธอโตขึ้นมาเหมือนคนใชยที่ต้องทำงานบ้านวันหนึ่งซินเดอเรลากำลังถูพื้นอยู่และพี่สาวของเธอก็กำลังนั่งกินผลไม้อยู่บนโซฟาอย่างอร่อย หลังจากที่กินเสร็จพี่สาวคนหนึ่งโยนเปลือกกล้วยลงพื้นแม่เลี้ยงใจร้ายมาที่ห้องและเห็นพื้นที่ไม่สะอาดซินเดอเรล่าถูกเพื่อให้สะอาดสิยายขี้เกียจทำงานดีๆไม่เป็นหรือยังไงเออแคมแม่หนูจะทำตอนนี้เลยค่ะขอโทษเลยค่ะซินเดอเรล่าต้องทำอาหารและล้างจาน เค้าหนูกินอาหารหน่อยได้ไหมคะไว้กินตอนเหลือของพวกเราสิยะเฮ้ยอย่ามาดรามา่าไปล้างจานโน่นไปซิ้นเดเรล่าเอาจานไปล้าง <c oughs> เธอต้องนอนที่ห้องใต้หลังคา <c oughs> เธอร้องไห้และนอนอย่างหิวโหวยทุกคืน เมื่อเห็นซินเดอเรล่าเหลานกรู้สึกสงสารเธอเลยเป็นเพื่อนกับเธอวันหนึ่งราชาตัดสินใจจะจัดงานเลี้ยงใหญ่และทำให้มันเป็นงานโออาเรียกทุกคนในเมืองมาร่วมราชาอยากให้ลูกชายของเขาเลือกสาวสวยคนหนึ่งเพื่อที่จะแต่งงานราชาส่งคำเชิญไปทุกครัวเรือน ประชาชนแห่งอาณาจักรนี้ถ้ามีสารจากราชามาบอกทุกคนจะได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงฉลองครั้งใหญ่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ท่านจะเลือกเจ้าหญิงให้เจ้าชายในงานนี้ด้วย <Yeah! S 1> ทุกคนมีความสุขและตื่นเต้นมากซ <Yeah! Yeah! S 1> ินเดอเรลาก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะว่าเธออยากจะเห็นวังมาตลอดชีวิต ที่เลี้ยงของซินเดเรล่าเริ่มเตรียมตัวไปงานอย่างกระเตอรรือร้อนเร็วเข้าสาวๆเตรียมร่วมงานได้แล้วแม่อยากจะให้เจ้าชายแต่งงานกับพวกแกสักคนและหล่อนนะซินเดเรล่าช่วยพี่แกเตรียมตัวด้วยลูกสาวฉันต้องดูเหมือนเจ้าหญิงต้องมีสักคนที่จะได้แต่งงานเออแม่เจ้าชายแต่งงานกับหนูแนะ่ซินเดเรล่า มาช่วยทำผมช่วยฉันแต่งตัวสิโอ้ไม่อย่ามาช่วยฉันก่อนนะฉันต้องเป็นคนแรกซิ้นเดรล่าใจกว้างมากเธอช่วยพี่ทั้งสองคนแต่งตัวหนูก็อยากจะไปด้วยนะคะหนูไปด้วยได้ไหมหนูอยากจะเห็นวังแล้วก็ร่วมงานด้วยไม่มีดห่างหรอกนะดูหล่อนสิหล่อนไม่มีชุดใส่ด้วยซ้า ทุกคนดูไฮโซจะหัวเราะเธอเอาซีอับอายกันพ่อนดีกล้าขอขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทุกคนไปที่งานเลี้ยงกัน <c oughs> ทิ้งซินเดอเรลล่าให้ร้องไห้อยู่คนเดียว <c oughs> เธอจำได้ว่าเธอมีชุดแต่งงานของคุณแม่เหลือเอาไว้แต่มันฉีกขาดเธอจึงเริ่มเย็บมันเพื่อนตัวน้อย หนูกับนกเริ่มมาช่วยเธอใช้เวลานานแน่เลยงานเลี้ยงจับพอดีไม่ทันแน่<อ> <laughs> ท่านใดนั้นนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ปรากฏกายไม่ต้องร้องนะฉันจะส่งเธอไปงานเลยยี้ยงเองอ๋อคุณคือใครคะและแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงชุดฉันขาดหมดแล้วและและไม่มีชุดไหนใส่ไปงานได้ด้วย ไม่ต้องห่วงนะกิลลีกลลบุชุดของซินเดอเรลล่ากลายเป็นชุดที่สวยสงามทันทีและที่เท้าของเธอนั้นกลายเป็นรองเท้าแก้วสวยงามหนูของเธอก็กระโดดอยู่บนฟักทองเธอเปลี่ยนฟักทองกลายเป็นรถม้าสวยงามและหนูก็กลายเป็นม้าลากรถที่สุดสงา่า ถาเธอไปงานและนกก็กลายเป็นคนขุมมา้าแต่คุณนางฟ้าพี่สาวกับแม่เลี้ยงฉันก็จะไปงานด้วยพวกนั้นต้องโกรธแน่เลยถ้าเห็นหนูไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ให้พวกนั้นจำเธนได้หรอกอออขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้าคุณใจดีมากจำไว้นะหนู เวดมนี้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนะจ๊ะเ อ, อ้ได้เลยค่ะคุณดังฟ้าหนูทำได้แน่ <c oughs> เธอรีบออกเดินทางไปงานเลี้ยง <c oughs> เมื่อเธอเข้าไปในงานเลี้ยงทุกคนหันมามองเธอทันทีพี่เลี้ยงและแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอก็ยังจำเธอไม่ได้ สวยงามมากเลยคนนี้เจ้าชายเห็นเธอแล้วรักเธอตั้งแต่แรกพบเขาเข้าไปหาเธอเฮคุณสวยให้ข้าเต้นกับเจ้าได้ไหมโอแน่นอนค่ะเจ้าชายไม่เต้นกับใครเขาละสายตาจากซินเดเรล่าไม่ได้เธอเต้นทั้งคืนกับเจ้าชาย จนเกือบลืมว่าจะถึงเที่ยงคืนแล้วท่านใดนั้นเธอจำได้ว่านางฟ้าเตือนอะไรเอาไว้เธอหันไปดูที่นาฬิกาเออเออฉันต้องกลับบ้านก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยตอนที่เธอวิ่งหนึ่งในรองเออท้าแก้วของเธอก็หลุดออกจากเท้าออและเธอไม่มีเวลากลับไปหยิบ เธอเห็นเจ้าชายวิ่งตามมาเธอรีบขึ้นรถมาและหนีไปเจ้าชายเห็นรองเท้าและเก็บขึ้นมาเธอหนีไปทําไมเนี่ยเที่ยงคืนแล้วระหว่งางทางรถของเธอหายไปกลายเป็นฟักทองเธอเลือกทางลัดวิ่งหนีไปถึงบ้านได้ข้าจะหานางถ้าต้องหาให้ทั่วประเทศก็จะทํา ไม่ว่ายัางไงข้าก็ต้องเจอนางให้ได้เลย oh. เจ้าชายอยากจะเห็นสินเดรล่าอีก oh. เลยออกตามหาซินเดรล่ากับคนของเขา oh. พวกเขาไปเคาะประตททูทุกบ้านทุกคนทุกบ้านหญิงทุกคนจะได้ลองใส่รองเท้าแต่มันไม่เข้ากับเท้าใครเลยสุดท้ายพวกเขาก็ไปถึงบ้านซินเดรล่าอินดีต้อนรับเพคะท่านคุณหญิงมีผู้หญิงในบ้านไปงานเลี้ยงบ้างไหม สาวสองคนไปที่งานเมื่อคืนค่ะอืมไปตามลูกสาวมาก็าจะให้พวกนางลองใส่รองเท้าเราพยายามหาผู้หญิงที่ใส่รองเท้านี่เอ้ลูกสาวฉันอาจจะใส่ได้ก็ได้ฉันเรียกเองพี่สาวสองคนได้ลองใส่รองเท้าพวกนางพยายามจะเอาเท้ายัดเข้าไปแต่พวกนางก็ใส่ไม่ได้ นี่มีคนเหรอเนี่ยโอ้ไม่ค่ะไม่ฉันมีลูกสาวแค่สองคนเท่านั้นแม่เลี้ยงล็อกซินเดเรล่ราไว้ที่ห้องใต้หลังคานางจะได้ไม่สามารถใส่รองเท้าได้เราจะต้องดูให้ทั่วบ้านหลังจากนั้นมีคนคนหนึ่งเห็นบันไดขึ้นไปห้องใต้หลังคามีคนอยู่ในนี้เหรอเนี่ยแม่เลี้ยงตามเข้าไปไม่ไม่ไม่มีใครอยู่หรอกนะเสี้ยเวลาเปล่านะท่าน เขาทำลายกุญแจและเข้าไปข้างในเขาแปลกใจมากที่เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ใกล้หน้าต่างปอมฉันเจอสาวแล้วเจ้าชายกับคนของเขาไปหาเธอและนางได้ใส่รองเท้ารองเท้าเข้ากับเท้าเธออย่างดีแม่เลี้ยงใจร้ายตกใจมากไม่ไม่ข้าเจอเจ้าจนได้นะเจ้าชื่ออะไระซินเดอเรล่าเจ้าค่ะ ท่นใดนั้นเจ้าชายคุกเข่าและขอมั่นเธอซินเดอเรลา่าเจ้าแต่งงานกับข้าไหมแต่งค่ะแต่งเจ้าชายจุมพิษมือของซินเดอเรลา่าหลังจากนั้นเขาพาซินเดอเรลากลับวันราชากับราชินีดีใจมากที่ได้เจอซินเดอเรลา่าพวกเขาเชิญพ่อของซินเดอเรลามาตัดสินใจเรื่องแต่งงาน ซินเดอเรลล่าและเจ้าชายแต่งงานกันและอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป